เริ่มแจกต้นผะป่าการที่ผมกับหมู่คณะออกไปตะลุยช่วยแจกต้นพะาป่ากันหลายจังหวัดมันมีจุดเริ่มต้นมาจากคุณบรรยงเขาเป็นคนพาผมไปแจกต้นพะาป่าโดยอาศัยรถผมเขาไม่มีรถจากตรงนั้นก็กลายมาเป็นจุดเชื่อมต่อให้ผม